ทัมวัคหนึ่งถึงสาิโซปิอนุสยะกะถาว่าด้วยอนุสัยสามเรื่องหก้อยห้าสกออนุสัยเป็นอภยากฤิใช่ไหมปอรอใช่สอกออนุสัยเป็นอภยากฤิฝ่ายวิบากอภยากฤิฝ่ายกริฟฟรยาเป็นรูปเป็นนิพานเป็นจักขายาณนะเป็นโพธพยญาณะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกลามราคานุสัยเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรใช่สกกลามราคะกามราคะปริยุทธานกลามราคะสังโยชน์กาโมคะกามโยคะกามฉันทานิวรนเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกลามราคะกลามราคะปริยุทธาน การะฉันทะนิวรเป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกกามราคานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปฏิฆานุสัยเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรใช่สกปฏิฆาปฏิฆาปริยุทธานปฏิฆาสังโยชนเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ปฏิฆะปฏิฆะปริยุทธานปฏิฆะสังโยชนเป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกปฏิฆานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมานานุสัยเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรใช่สกมานะมานะปริยุทธานมานะสังโยชนเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกมานะมานะปริยุทธานมานะสังโยชน์เป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่สกมานานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทิฐานุสัยเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรใช่สกทิฐิทิโคะทิฐิโยคะทิฐิปริยุทธานทิฐิสังโยชน์ เป็นอัพยากฤลใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทิฐิทิโขคะทิฐิโยคะทิฐิปริยุทธานทิฐิสังโยชตเป็นอกุศลใช่ไหมบรใช่สกทิฏฐานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจฉานุสัยเป็นอภยากฤลใช่ไหมบรใช่ สกวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรเป็นอพยากฤตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาปริยุทธานวิจิกิจฉาสังโยชน์วิจิกิจฉานิวรณเป็นอกุศนใช่ไหมปรใช่สกวิจิกิจฉานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกภวะราคานุสัยเป็นอัพยากรใช่ไหมปรใช่สกภวะราคะภวะราคะปริยุทธฐานภวะราคะสังโยชน์เป็นอัพยากรใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกภวะราคะภวะราคะปริยุทธฐานภวะราคะสังโยชน์เป็นอกุศลใช่ไหมปรใช่ สกภาวะราคานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อ, อวิชานุสัยเป็นอัพยกฤย ร, รใช่ไหมปรรใช่สก อ, อวิชาอวิโชคะอวิชายโยคะอวิชาปริยุทธฐานอวิชาสังโยชตอวิชานิวรเป็นอัพยกฤรใช่ไหมปรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อวิชาอาวิโชคะอวิชาโยคะอวิชาปริยุทธานอาวิชาสังโยชตอวิชานิวร์เป็นอกุศลใช่ไหมปอรอใช่สอก อ, อวิชานุสัยเป็นอกุศลใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกรอ้อยหกปรท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยเป็นอพยกฤะใช่ไหมสกใช่ปอรอ ปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอ gobierno, ัพยกฤิเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสกใช่ปรสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นอนุสัยจึงเป็นอัพยกฤิปรรปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิเป็นไปอยู่ ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกใช่ปรรสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมาประชุมกันได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรดังนั้นราคะจึงเป็นอัพยากฤิทธ์ห้อเจ็ดสอก อ, อนุสัยเป็นอเหตุุกะใช่ไหมปรรใช่สอก อ, อนุสัยเป็นรูปเป็นนิพานเป็นจักขายาตนะ เป็นโพธภายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามราคานุ ส, สั like like สส enfin ยเป ha! ็นอเหตุุกะใช่ไหมปรใช่สกกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชนกามฉันทะนิวรเป็นอเหตุกะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามราคะกามราคะปริยุทธาน การะฉันทานิวอนเป็นสเหตุกะใช่ไหมปรใช่สกกามราคานุสัยเป็นสเหตุกะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปฏิคานุสยัยมานานุสยัยทิฏฐานุสยัยวิจิกิจฉานุสยัยภวราคานุสยัยอวิชานุสัยเป็นสเฮตุกะใช่ไหมปรใช่สก อวิชาอวิโชคะอวิชาโยคะอวิชาปริยุทธานอวิชาสังโยชนอวิชานิวรเป็นเหตุตุกะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอวิชาอวิโชคะอวิชานิวรเป็นเหตุตุกะใช่ไหมปรใช่สกอวิชานุสัยเป็นเหตุตุกะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น หกรอปรท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยเป็นอเหตุกะใช่ไหมสกใช่ปรปุถุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยญากฤิปเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสกใช่ปรอนุสัยเป็นสเหตุกะโดยเหตุนั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นอนุสัยจึงเป็นอเหตุกะ ปรปุถชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิปเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกใช่ปรราคะเป็นเหตุกะโดยเหตุนั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นราคะจึงเป็นอเหตุกะหกร้อยเป้าสอก อ, อนุสัยวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรใช่ สอก อ, อนุสัยเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายาณนะเป็นโผฏฐพายญาณะใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามราคาอนุสัยวิปยุจจากจิตใช่ไหมป ร, รใช่สกกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชน์กามโมคะกามโยคะการมฉันทนิวรวิปยุจจากจิตใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามราคะกามราคาปริยุทธานกามชันทานิวรนสมบูรณ์ด้วยจิตใช่ไหมปรใช่สกกามราคานุสัยสัมบูรณ์ด้วยจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้ น, ก น, นหกร้อยสิบสกกามราคา น, นุสัยวิปยุทธจากจิตใช่ไหมปรใช่ สกากามาราคานุสัยนับเนื่องในขันไหนปรนับเนื่องในสังขารขันสกสังขารขันวิปยุจจากจิตใช่ไหมปรไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นสากาสังขารขันวิปยุจจากจิตใช่ไหมปรใช่สกเวทนาขันสัญญาขันวิปยุจจากจิตใช่ไหมปรไม่ควกรกล่าวอย่างนั้น สกกามราคานุสัยนับหนึ่งในสังขารขันแต่วิปยุจจากจิตใช่ไหมปรใช่สกกามราคานับหนึ่งในสังขารขันแต่วิปยุจจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามราคานับหนึ่งในสังขารขันธ์สัมพยุจด้วยจิตใช่ไหมปรใช่สก การมราคานุสัยนับหนึ่งในสังขารขันสัมปยุทธ์ด้วยจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการมราคานุสัยนับหนึ่งในสังขารขันแต่วิปยุทธจากจิตส่วนกาม ร, ราคานับหนึ่งในสังขารขันและสัมปยุทธด้วยจิตใช่ไหมปรใช่สกสังขารขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุทธจากจิตใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสังขารขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้วยจิตอีส่วนหนึ่งวิปยุทธจากจิตใช่ไหมปรใช่สกเวทนาขันสัญญาขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้วยจิตอีส่วนหนึ่งวิปยุทธจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกรอยสกปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย วิจิกิจานุสัยภวราคานุ standard, miejsce, e าสัย อ, ว, อ, ว, Maggie, อวิชานุสัยวิบยุจจากจิตใช่ไหมปรใช่สกอวิชาอวิโชคะอวิชาโยคะอวิชานิวรณ์วิบยุจจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอวิชาอวิโชคะอวิชาโยคะอวิชานิวรณ์ซัมปยุทธ์ด้วยจิตใช่ไหมปรใช่ สกอวิชานุสัยสัมณยด้วยจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห12้ยสิกอวิชานุสัยวิปยุทธจากจิตใช่ไหมปรใช่สกอวิชานุัยนับหนึ่งในขันไหนปรนับหนึ่งในสังขารขันสกสังขารขันวิปยุทธจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกสังขารขันวิปยุจจากจิตใช่ไหมปรใช่สกเวทนาขันสัญญาขันวิปยุจจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอวิชานุใสนับหนึ่งในสังขารขันแต่วิปยุจจากจิตใช่ไหมปรใช่สกอวิชานับหนึ่งในสังขารขันแต่วิปยุ์จากจิตใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อวิชชาอันนับหนึ่งในสังขารขันสัมปยุทธด้วยจิ ต, ต, ต, ต, ใ, ตใช่ไหมปอรอใช่สอก อ, อวิชชาโนุสัยนับหนึ่งในสังขารขันสัมปยุทธด้วยจิตใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อวิชชานุสัยนับหนึ่งในสังขารขันแต่วิปยุทธจากจิกต ส่วนอวิชานับหนึ่งในสังขารขันและสัมปยุทธ์ด้วยจิตใช่ไหมปรใช่สกสังขารขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุทธจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสังขารขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุทธจากจิตใช่ไหมปรใช่สกเวทนาขันสัญญาขัน ส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุทธ์จากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกรอยสปรท่านไม่ยอมรับว่าอนุสัยวิปยุทธ์จากจิตใช่ไหมสกใช่ปรปุตุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยากฤิปเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีอนุสัยใช่ไหมสกใช่ปร อนุสัยสัมปยุทธ์ด้วยจิตนั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอดังนั้นอนุสัยจึงวิปยุทธจากจิตปอรอปุทุชนเมื่อจิตที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยากฤิปเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามีราคะใช่ไหมสกใช่ปอรอราคะสัมปยุทธด้วยจิตนั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปอรอดังนั้นราคะจึงวิปยุตจากจิตติโสปิอนุสยะกถาจบสยานกถาว่าด้วยยานห1ร้อยสิบสี่กพระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราดไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุตจากยานเป็นไปอยู่ท่านไม่ยอมรับว่ามียานใช่ไหมปอรอใช่สก พระอริยบุคคลเมื่อราคะปราบไปแล้วท่านไม่ยอมรับว่าปราศจากราคะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก przez, พระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราบไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุจจากยานเป็นไปอยู่ท่านไม่ยอมรับว่ามียานใช่ไหมปอรอใช่สกพระอริยบุคคลเมื่อโทสะปราบไปแล้วโมหะปราบไปแล้วกิเลสปราบไปแล้ว ท่านไม่ยอมรับว่าหมดกิเลสใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอริยบุคคลเมื่อราคะปราบไปแล้วท่านยอมรับว่าปราศจากราคะใช่ไหมปรใช่สกพระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราบไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุสจรจากยานเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามียานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พระอริยบุคคลเมื่อโทสะปราบไปแล้วเมื่อโมหะปราไปแล้วเมื่อกิเลส ป, ปราไปแล้วท่านยอมรับว่าหมดกิเลสใช่ไหมปอรอใช่สอกอพระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุจจากยานเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามียานใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห1 5้อยสิบห้าปอรร พระอริยบุคคลเมื่อความไม่รู้ปราบไปแล้วเมื่อจิตที่วิปยุตจากยานเป็นไปอยู่ท่านยอมรับว่ามียานใช่ไหมสกใช่ปอรอชื่อว่ามียานด้วยยานที่เป็นอดีตชื่อว่ามียานด้วยยานที่ดับไปแล้วปราบไปแล้วระงับไปแล้วใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นยาณกถาจบห้า ญาณังจิตตวิปยตุตันติกระถาว่าด้วยญาณวิปยุตจากจิตหกร้อยสิบหกสกญาณวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรใช่สกญาณเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขาญตนะเป็นโพธพายญาณะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกญาณวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรใช่ สกปัญญาปัญญินีปัญญาภละสัมมาทิฐิธรรมวิจยสัมโพชงวิปยุจจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปัญญาปัญญินีปัญญาภละสัมมาทิฐิธรรมวิจยะสัมโพชงสัมปยุจด้วยกิจใช่ไหมปรใช่สกญาณสัมปยุจด้วยจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 เวทนาขันสัญญาขันวิปยุจจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปัญญานับเนื่องในสังขารขันแต่วิปยุจจากจิตใช่ไหมปรใช่สกปัญญานับเนื่องในสังขารขันแต่วิปยุจจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปัญญานับเนื่องในสังขารขันสัมพยุจด้วยจิตใช่ไหม ปรใช่สกญาณนับเนื่องในสังขารขัน์สัมปยุทธเดชจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกญาณนับเนื่องในสังขารขันแต่วิปยุทธจากจิตปัญญานับเนื่องในสังขารขัน์และสัมปยุทธเดชจิตใช่ไหมปรใช่สกสังขารขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธเดยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุทธจากจิตใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสังขารขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุทธจากจิตใช่ไหมปรใช่สกเวทนาขันสัญญาขันส่วนหนึ่งสัมปยุทธ์ด้วยจิตอีกส่วนหนึ่งวิปยุทธจากจิตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยสิบเจ็ปรท่านไม่ยอมรับว่าญาณวิปยุทธจากจิตใช่ไหม สกใช่ปรพระอราหาันต์ผู้พรั่งพร้อมได้จักขูวิญญาณท่านยอมรับว่ามีญาณใช่ไหมสกใช่ปรญาณสัมปยุทธ์ด้วยจิตนั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นญาณจึงวิปยุทธ์จากจิตปรพระอรหันต์ผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขูวิญญาณท่านยอมรับว่ามีปัญญาใช่ไหม สกใช่ป ร, รปัญญาัำปยุทธ์ด้วยจิตนั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นปัญญาจึงวิปยุทธจากจิตยานางจิตตวิปยุทธตันติกระถาจบ ทางทุกขันเตีคาถาว่าด้วยการเปล่งวาจาว่านี้ทุกหกร้อยสิบแปดกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกขยานว่านี้ทุกข์จึงดำเนินไปใช่ไหมปอรอใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์สมุไทยยานว่านี้ทุกข์สมุไทยจึงดำเนินไปใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เมื่อเปล่งวาจาว่านี o, ้ทุกยานว่านี้ทุกจึงดำเนินไปใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกขนิโรธยานว่านี้ทุกขนิโรธจึงดำเนินไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกยานว่านี้ทุกจึงดำเนินไปใช่ไหมปรใช่สก เมื่อเปล่งวาจาว่านี้มักยานว่านี้มักจึงดำเนินไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้สมุ ท, ทัยแต่ยานว่านี้สมุทัยไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกแต่ยานว่านี้ทุก์ไม่ดำเนินไปใช่ไหมปร ไ, ไ, ไ, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เมื Tuesday, Kindern, that, ah that, that, ่อเปล่งวาจาว่านี้นิโรธเมื่อเปล่งวาจาว่านี้มักแต่ยานว่านี้มักไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกแต่ยานว่านี้ทุกไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยสิบเก้าสกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกยานว่านี้ทุกจึงดำเนินไปใช่ไหม ปรใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่ารูปไม่เที่ยงยานว่ารูปไม่เที่ยงจึงดำเนินไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกยานว่านี้ทุกข์จึงดำเนินไปใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่าเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยง ยานว่าวิญญาณไม่เที่ยงจึงดำเนินไปใช่ไหมปอรร์ไม oh ่ควรกล่าวอย่างนั coming, ้นสกเมื <spreading exaggerated> ่อเปล่งวาจาว่านิทุกยานว่านิทุกจึงดำเนินไปใช่ไหมปอร์ใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่ารูปเป็นอนัตตายานว่ารูปเป็นอนัตตาจึงดำเนินไปใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกข์ยานว่านี้ทุกข์จึงดําเนินไปใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่าเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตายานว่าวิญญาณเป็นอนัตตาจึงดําเนินไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อเปล่งว่ารูปไม่เที่ยง แต่ยานว่ารูปไม่เที่ยงไม่ดําเนินไปใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่าน้ทุกแต่ยานว่าน้ทุก์ไม่ดําเนินไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อเปล่งวาจาว่าเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแต่ยานว่าวิญญาณไม่เที่ยงไม่ดําเนินไปใช่ไหมปรใช่ สกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกขแต่ยานว่านี้ทุกข์ไม่ดําเนินไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อเปล่งวาจาว่ารูปเป็นอนัตตาแต่ยานว่ารูปเป็นอนัตตาไม่ดําเนินไปใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกขแต่ยานว่านี้ทุกข์ไม่ดําเนินไปใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าว อ, อย่างนั้นสกเมื่อเปล่งวาจาว่าเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแต่ยานว่าวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเปล่งวาจาว่านีิทุกข์แต่ยานว่านี้ทุกข์ไม่ดำเนินไปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหกร้อยี่สิบ สกเมื่อเปล่งวาจาว่านี้ทุกยานว่านี้ทุกจึงดำเนินไปใช่ไหมปอรอใช่สกยานว่าอีว่าทางว่าทุกและว่าขังจึงดำเนินไปใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอีทัางทุกขันติกถาจบ7อิทิภะกะถาว่าด้วยกําลังริ หกรยสอก็กบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปรใช่สอก อ, อายุนั้นสำเร็จได้ด้วยฤทธิ์คตินั้นสำเร็จได้ด้วยฤทธิ์การได้อัตภาพนั้นก็สำเร็จได้ด้วยฤทธิ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหม ปอรอใช่สอกพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับที่เป็นอดีตตลอดกลับที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกําลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอด ก, ก id, ลักกบนนใช่ออไหมปรใช่สกพึงดำรงอยู่ได้ตลอดสองสาสี่กลับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก <ual> บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกําลังริกพึงดํารงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปรใช่สกเมื่อยังมีอายุก็ดํารงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่หรือว่าเมื่อหมดอายุก็ดํารงอยู่เท่าที่อายุยัง เ, ย ง, ย ง, ยยยงเหลืออยู่ปรเมื่อยังมีอายุก็ดํารงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ได้สกหากเมื่อยังมีอายุก็ดํารงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังริษพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับเมื่อยังมีอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่หรือว่าเมื่อหมดอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่ปรเมื่อหมดอายุก็ดำรงอยู่เท่าที่อายุยังเหลืออยู่สกบุคคลที่ตายแล้วพึงดารงอยู่ได้ หรือว่าบุคคลที่ทำกาละแล้วพึงดำรงอยู่ได้ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห2 2้อยี่สองกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปรใช่สกบุคคลใช้ฤทธ์บังคับว่าภาษะที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปเลยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปเลยสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วจิตที่เกิดขึ้นแล้วศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้ววิริยะที่เกิดขึ้นแล้วสติที่เกิดขึ้นแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วอย่าดับไปเลยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกาลังิ พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่ารูปจงเป็นของเที่ยงใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนบุคคลใช้ฤทธิ์บังคับว่าเวทนาจงเป็นของเที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณจงเป็นของเที่ยงใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธ พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมปรใช่สกบุคคลใชรฤก์บังคับว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่าได้เกิดเลยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลใชรฤก์บังคับว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้แก่เลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บเลย สั์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่าได้ตายเลยใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห2 3ยสปอรอท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกำลังฤทธิ์พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับใช่ไหมสกใช่ปอรอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนอิธิบาสีอันผู้ใดผู้หนึ่งได้เจริญทำให้มาก ทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ตลอดหนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับมีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกําลังฤทธิ์จึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหกร้อยสิบสี่สกผู้พรั่งพร้อมด้วยกําลังฤทธิ์ พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณนะพราหมณ์เทวดามานพรมหรือใครๆในโลกที่จะประกันทำสี่ประการทำสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณนะพราหมณ์เทวดามานพรม หรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าไม่แก่สองไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพรา์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาว่าไม่เจ็บสไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพรา์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าไม่ตาย ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณนะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกที่จะประกันผลแห่งกรรมชั่วที่เจ้ามองให้เกิดในภพใหม่มีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นผลมีชาติจราและมรณะต่อไปว่าไม่บังเกิดภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณนะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกที่จะประกันธรรมสี่ประกันนี้แล มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าผู้พร่งพร้อมด้วยกำลังรท็กพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับอิทธิพะล ะ, ะถาจบ 8. ปสมาธิกถาว่าด้วยสมาธิหกร้อยยี่สิบห้าสกความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรใช่สก ความเสื่อต่อแห่งจิตที่เป็นอดีตเป็นสมาธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความเสื่ต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรใช่สกความเสืบอต่อแห่งจิตที่เป็นอนาคตเป็นสมาธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความเสืบอต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรใช่สก อดีตดับไปแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดมิใช่หรือปอรอใช่สอกอหากอดีตดับไปแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิหกร้อยสิหกปรสมาธิเป็นไปชั่วขณะจิตเดียวใช่ไหมสอกอใช่ปอรอบุคคลผู้พรั่งพร้อมได้จากหุวิญญาณเป็นผู้เข้าสมาบัติใช่ไหม สกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรบุคคลผู้พร่งพร้อมด้วยโสตะวิญญาณพร่งพร้อมด้วยคานะวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยชิวหาวิญญาณพร่งพร้อมด้วยกายะวิญญาณพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอกุสนพร่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยราคะพร่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยโทสะพร่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยโมหะพร่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยอนุตตะปะ เป็นผู้เข้าสมาบัติใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมปรใช่สกความสืบต่อแห่งจิตที่เป็นอกุศลเป็นสมาธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสืบต่อแห่งจิตที่สหรคตด้วยราคะที่สหรคตด้วยโทสะที่สหรคตด้วยโมหะ ที่สหรคตรด้วยอนนตตะปะเป็นสมาธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรท่านไม่ยอมรับว่าความสืบต่อแห่งจิตเป็นสมาธิใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่านิครนเราไม่เคลื่อนไหวกายไม่พูดสา ม, มารถเสวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันมีอยู่จริงนี่ใช่หรือ สกใช่ปรดังนั้นความสืบต่อแห่งจิตจึงเป็นสมาธิสมาธิคาถาจบเกาธรรมติตตตาคาถาว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรมห2 7อยีอ่สิเจกความตั้งอยู่แห่งสภาวธรรมเป็นสภาวะสมร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สก ความตั so, e like right? ้งอยู ara, mm. ่แห่งความตั ara, ้งอยู่แห่งสภาวะธรรมนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งสภาวะธรรมนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกการทำที่สุดแห่งทุก์ไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มี อนุปาธาปรินญพานก็ไม่มีแก่ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งสภาวะธรรมทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความตั้งอยู่แห่งรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งรูปนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งรูปนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกการทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแต่ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งรูปทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความตั้งอยู่แห่งเวทนาความตั้งอยู่แห่งสัญญา ความตั้งอยู่แห Ecu, fünf, ông, ่งสังขารความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งวิญญาณนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรไม่ค <ผม S 3> <limp? S 2> วรกล่าวอย่างนั้นสกความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งวิญญาณนั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สก การทำที่สุดแห่งทุก์ไม่มีการตัดขาดวัตะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแต่ความตั้งอยู่แห่งความตั้งอยู่แห่งวิญญาณทั้งสองชั้นดังกล่าวมา น, นั้นใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นถ้ามั ต, ติตาคาถาจบสิบอนิจจตาคาถาว่าด้วยความไม่เที่ยงหกร้อยยี่สิบปดก ความไม่เที่ยงเป็นสภาวะสมบูร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงนั้นเป็นสภาวะสมเร็จแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงนั้นเป็นสภาวะสมบูร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกการทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตะไม่มี อนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแก่ความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงทั้งสองชั้นดังกล่าวมันั้ น, น, นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความแก่เป็นสภาวะสเร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกความแก่แห่งความแก่นั้นเป็นสภาวะสเร็จแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ความแก่แห่งความแก่นั้นเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมป ร, รใช่สกการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขะวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพพังก็ไม่มีแก่ความแก่แห่งความแก่ทั้งสองชั้นดังกล่าวมันนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความตายเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สก ความตายแห่งความตายนั้นเป็นสภาวะสเร็จแล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความตายแห่งความตายนั้นเป็นสภาวะสมร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกการทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตะไม่มีอนุปาทาปริญพานก็ไม่มีแก่ความตายแห่งความตายทั้งสองชั้นดังกล่าวมาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น Uhm 629สกรูปเป็นสภาสวะสมบูร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งรูปมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความไม่เที่ยงเป็นสภาวะสมบูร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเป็นสภาวะสมบูร็จแล้วแต่ความแก่แห่งรูปมีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกความแก่เป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งความแก่มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลายความอันตรธานไปแห่งรูปมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความตายเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลายความอันตรธานไปแห่งความตายมีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเวทนาะสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความไม่เที่ยงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความไม่เที่ยงแห่งความไม่เที่ยงมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสวกวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้ว แต่ความแก่แห่งวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความแก่เป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแก่แห่งความแก่มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณเป็นสภาวะสำเร็จแล้วแต่ความแตกสลายความอันตรธานไปแห่งวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความตายเป็นสภาวะสำเร็จแล้ว แต่ความแตกสลายความอันตรธ า, านไปแห่งความตายมีอยู่ใช่ไหมปอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอ น, นิจตตาคถาจบเอกาทสมาวัคจบรวมคถาที่มีนิวัค์นี้คือหนึ่งถึงสามติโสปิอนุสยะคถาสญยานากคาถาหญายานังจิตตวิปยุตันติกคาถาหอิทางทุกขันติกคถา เจ็ดอิธิภะกะถาแปดสมาธิกะถาเก้าธรรมะทิตตากะถาสิบอนิจตากะถา